เวลาที่ฟังทำกันตาม <c oughs> สมควรเวลาก็การที่เรามาปฏิบัติธรรมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดของการ บติก็คือการรักษาจิตให้ข่ารอบคำนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยได้ตรัสให้โอวาทต่อพิสุขทั้งหลายว่า สจัจจตะปริโยธาปนังนะพึงชำระจิตให้ข่ารอบเจนญาตโยมที่ปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในขั้นศีลสมาธิหรือขั้นอบรมให้ก่อเกิดแห่งปัญญาสุดท้ายก็คือชำระจิตให้ข่ารอบ ถ้ามีผู้ถามว่าแล้วจะทำอย่างไรจิตจะชำระได้ข่าวรอบคำคำนี้เหมือนกับตอบไม่รู้จบแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องตอบก็จบได้อยู่ที่ใจของผู้ถามนั่นเอง เหมือนจะมาถามโยมว่าทำอย่างไรให้ดำเนินชีวิตแบบไม่ต้องมีความเสียใจโยมทำได้ไหมอยู่อย่างไรให้รู้สึกว่าเรามีความสุขใจทั้งทั้งที่เหตุการณ์ปัญหาก็มีมากมายเยอะแยะ แต่โยมต้องตอบคําถามว่าทําอย่างไรให้เราอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างไรให้ใจสงบถ้าโยมสามารถหาคําตอบได้คําที่ถามว่าจะทําอย่างไรให้ชําระจิตข่ารอบได้ ก็เป็นคําตอบเดียวกันแตมาบอกไ้ว่าหลักของการปฏิบัติธรรมะแท้จริงก็คือชีวิตชีวิตนั่นแหละคือธรรมะพระพุทธเจ้าจึงชี้มาสู่ชีวิตให้ชำระจิตจนขาวรอบนั่นแสดงว่า สำเร็จธรรมหรือบรรลุธรรมแต่ถ้าจิตของเรายัางไม่ข่ารอบเนี่ยยังสก ป, ปรกอยู่ยังดำอยู่ยังอคุศลเกิดอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ข่ารอบได้แม่ตมาได้ดูเริ่มต้นของชีวิต ดูจะเหมือนกันตรงไหนโยมทุกคนก็พยายามต่อสู้เริ่มต้นคําว่าเพื่อปากท้องก่อนต่อสู้ให้พ้นจากความหิวต่อสู้ให้พ้นจากความหนาวต่อสู้ให้พ้นจากความร้อนต่อสู้ให้พ้นจากความลำบากทั้งหลายนี่ดูเหมือนพวกเรา มีชะตาที่เหมือนกันทุกรอบครัวก็ต้องต่อสู้เพื่อปากท้องก่อนพอทุกคนต่อสู้เพื่อปากท้องได้แล้วพอท้องอิ่มสิ่งที่ต้องต่อสู้ต่อจากนี้ไปก็คือการต่อสู้ เพื่อชีิตตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนต้องการชีวิตแบบไหนอยากอยู่ชีวิตแบบไหนจุด น, นี้จึงเรียกว่านาน า, นาจิตต่างคือต่างคนก็ต่างจิตต่างใจ แต่เริ่มต้นเนี่ยทุกคนต่อสู้เพื่อปากท้องก่อนนี่ดูเหมือนกันใครที่หิวโหวยอยู่ก็ต่อสู้เพื่อแสวงหาอาหารแล้วก็ปัจใจสีก่อนพอมนุษย์ได้มาสิ่งที่แสวงหาต่อไปนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนกัน บางคนต่อสู้ต่อไปเพื่ออะไรเพื่อความสบายเพื่อความสุขเพื่อความร่ารวยเพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรติยศเพื่ออำนาจเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อพี่เพื่อน้อง ดูดูสไตล์ก็ไม่เหมือนกันแต่จุดเริ่มดูเหมือนกันทุกคนต่อสู้ให้พ้นจากความหิวโหวยก่อนเป็นอันดับแรกเลยก่อนที่จะพูดคำว่ารวยเนี่ยทุกคนต้องทำยังไงทำอย่างไรให้ท้องอิ่มก่อนเวลาหนาว มีผ้าหม่มมีเสื้อกันหนาวอาจามาเคยเล่าให้โยมฟังอยู่เหมือนกันว่าโยมรู้ไหมครับว่าหนาวคืออะไรบางคนรู้แต่อากาศดีสบายแต่พออยู่ น, น, นานๆลมที่ผ่านเข้าช่องประตู แล้วไม่มีผ้าหม่มไม่มีเสื้อหนาวแล้วก็นอนอยู่กับความหนาวที่ความหนาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโยมจะรู้สึกเข้าใจความหนาวนะมันเจ็บปวดนะความหนาวมันเป็นทุกขนะ์แต่ถ้า ผู้ที่มีพอหนาวหน่อยเขาก็เอาผ้าห่มนานหนาใส่ถุงเทา้าถุงมือใส่เสื้อนานหนาเขาก็ยังไม่ได้สัมผัสความจริงว่าเวลาหนาวจริงๆนมันมีรสชาติแบบไหน จึงบอกเวลาหนาวต้องการความอบอุ่นถ้าเวลานั้นโยมไม่มีความอบอุ่นโยมมีคำถามหรือต้องการคำตอบมากในเวลานั้นเราต้องการเพื่อนต้องการพี่ต้องการน้องต้องการความช่วยเหลือต้องการทุกอย่าง มันช่างดูเหมือนสิ่งสำคัญแก้วคำว่าหนาวคำเดียวแต่ที่พูดมาทุกอย่างว่างเปล่ามีชีวิตกับความหนาวและก็แค่ความรู้สึกกับความคิดที่ยังไม่ตายเท่านั้น ถ้าโยไปสัมผัสบ้างธรรมาก็ว่าดีนะบางคนยังไม่เคยได้ลิ้มรสของชีวิตจริงๆได้แต่ความสบายอยู่แต่สิ่งที่เอื้อแต่ความสะดวกยังไม่ทันหิวก็มีอาหารมารอแล้ว อากาศพอเริ่มหนาวนิดหน่อยก็มีผ้าห่มมีเสื้อหนาวดีๆแล้วธรรมารอยากให้โยมได้เจอรสชาติของชีวิตแล้วโยมจะเข้าใจว่าโอ้โหการมีชีวิตอยู่เนี่ย ถ้าเราเข้าใจในอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนคืนกลับมาสู่ตัวเองโยมจะรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่กับเราเนี่ยมันมีคุณค่าบางคนมองสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองมันไม่มีค่าไม่มีความสําคัญเหมือนกับของที่ไร้ประโยชน์แต่มาบอกโยมมองผิด แล้วก็ผิดมาหันด้วยตอนนี้โยมต้องมองว่าสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยล้วนเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งสำคัญแม้แต่เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้เป็นสิ่งสำคัญผ้าห่มที่ห่มทุกวันเป็นสิ่งสำคัญมีเนาะมีหมอนที่นุนหัวอยู่ทุกวันก็เป็นสิ่งสำคัญ มองทุกอย่างที่เราเราเราใชนะ้ให้มันมีคุณค่าและเป็นสิ่งสำคัญและโยงก็จะมองชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าเราไม่ทำให้ชีวิตพิเศษเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งพิเศษเราไม่รู้เราไม่ทำให้ชีวิตสดชื่นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความสดชื่น เราคิดจะให้คนอื่นเขาหยิบยื่นแล้วเราเราจะได้รับสิ่งนั้นตรรมมาบอกก่อนจะได้รับจากคนอื่นเราต้องช่วยตัวเองก่อนโยมต้องสร้างบรรยากาศขึ้นมาบ้านเล็กแต่ต้องทำให้สะอาดน่าอยู่สิ่งที่มีทุกอย่างน่าจับต้องไปหมด โยมเคยใช้คาว่าพอใจมาชีวิตสมมติโยมจะรู้แต่คาว่าไม่พอใจนี่คือความผิดอีกข้อนหนึ่งอาจมาพอใจพอใจชีวิตมาทั้งหลายปีแล้วจริงไม่โกรธตัวเองบางคนไม่พอใจ ตัวเองก็โกรธอยู่ตั้งไม่รู้กี่ปีโกรธความเป็นอยู่โกรธการกินการนอนการอยู่โกรธการแต่งเสื้อผ้าโกรธไม่มีเครื่องประดับโกรธไม่มีตำแหน่งใหญ่โตโกรธชีวิตต้องอยู่อย่างนี้นี่คือความผิดที่เราไม่รู้จักกำว่าพอใจแล้วย่างนี้ยมจะบรรลุธรรมได้หรือ ต่าให้มีสักสิบแสนสิบหมื่นสิบล้านก็เท่านั้นแหละเมื่อคำว่าพอใจไม่มีมันก็จะเป็นทุนหนุนนิสัยอยู่ตรงไหนก็ยังไม่พอใจยงรู้ไหมนี่คือความผิดที่เราไม่เข้าใจที่จะชำระ จ, จิตให้ขาวรอบไม่เข้าใจว่าความสุขไม่เข้าใจว่าความสงบ และก็ไม่เข้าใจคำว่าสิ่งที่พึงประสงค์ชีวิตที่เราควรจะใช้อย่างไรชีวิตเมื่ออิ่มท้องแล้วยอมยังไม่พอใจชีวิตที่มีอีกควรจะกลับไปหิวโหวยอีสักรอบหนึ่งเผื่อมันจะสอน ด, นดีควรจะไปนอนที่ลำบากลำบนเผื่อจะได้คิดออก ไปนอนหนาวเหน็บสักห ล, ห, ลหลายคืนที่ไม่มีผ้าหม่มไม่มีเสื้อกันหนาวแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เรามีเรามองข้ามไปหมดเลยมองข้ามความรู้สึกดีๆทำไม ทำไมไม่พอใจชีพิตตัวเองแต่มาถามหน่อยพอแล้วไม่ต้องไปไสยกรรมมากมายหรอกยังไงก็ไม่เกินร้อยเชื่อเธอจริ้งไม่พุ่นเล่นแต่งไปเธอยังไงก็ไม่เกินร้อยเรื่องจริง ยมพอใจตัวเองเป็นไหมอาจจะมาพอใจตัวเองมาตั้งหลายปีแล้วจึงรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขถ้าเมื่อไรยมไม่พอใจตัวเองโอ้โหมีอะไรก็รู้สึกมันเป็นทุกข์ยมเข้าใจไหมคำนี้ต้องเน้น พอใจเป็นไม่โยอาหารอย่างนี้พอใจไหมเราอยู่อย่างนี้ได้ทำไมไม่อยู่ให้มีสุขทำไมเรากินอย่างนี้ไม่พอใจอีกนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่พอใจที่นอนอีกแสงยโยไม่เข้าใจหลับ ที่สนิทตื่นขึ้นมาที่สบายยนะแม่มันเป็นความสุขอารหอมหวานยมทำไมไม่วาดวิมานตัวเองคนเรามันต้องสร้างวิมานบ้างสร้างความรู้สึกดีดีสร้างความคิดดีดีให้กําลังใจตัวเองมองในแง่ดีตัวเองเออชีวิตยังมีหวังแต่เราก็ไม่ได้วหวังอะไรมากไป หวังสิ่งที่พึงได้เมื่อไม่ได้กันแล้วไปก็หวังใหม่สดชื่นจะตายไปเห็นไหอย่าไปมองอะไรเป็นแง่ร้ายไปหมดและสุดท้ายจะเป็นคนที่ไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจความคิดสุดท้ายไม่รู้ว่าเมื่อท้องอิ่มแล้วเราจะใช้ชีวิตมีความสุขได้อย่างไร ก็ในเมื่อเราไม่พอใจตัวเองมันยิ่งว่าโกรธคนทั้งโลกโยมต้องเปลี่ยนปรวติศาสตร์ตัวเองใหม่ที่ผ่านมาแล้วแล้วไปเริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่ ตื่นนอนพ้าใสหน้ายิ้มมองโลกให้มันสดใสพูดจาเออให้มีชีวิตชีวาไม่ต้องไปร่ำไรกับสิ่งเก่าๆอย่าไปยึดมันหรอกโยมโยมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่จริงนะถ้าเรา สร้างจินตนาการชีวิตที่มันเบิกบานสดชื่นร่าเริงชมจันทร์ก็สวยนะคืนนี้เชื่อไหมล่ะถูกอาจมาดูดวงจันทร์แมคืนนี้มันสวยดูกระต่ายมันสวยดีมันอยู่ที่ว่าเราใช้จิตมองแบบไหน ถ้ายอมมองแบบไม่พอใจมองหน้าใครมันก็ไม่ชอบถึงบอกเออเราต้องสร้างตัวเองก่อนเมื่อปากท้องอิ่มแล้วถึงเวลาที่จะหาความสุขหาความสบายแต่มีข้อแม้ว่าต้องรู้คำว่าพอใจ ยมต้องพอใจชีวิตตัวเองก่อนพอใจไหมใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแต่มาพอใจแล้วนั่งรถคันนี้ก็พอใจเปลี่ยนคันใหม่ก็พอใจพอใจผ่านมา20ปีเรามีความสุขกับชีวิตเราพอใจกับความเป็นอยู่มา20ปีไม่เสียแรงที่เกิด โ, โยมไปต้องการสิ่งที่สูงสุดกว่าจะได้ถึงจุดนั้นชีวิตบางทีเหลือแค่ปีครึ่งปีตายโอตอมาไม่เอาด้วยต้องการสิ่งที่สูงสุดใช่ไหมแต่พอจะถึงตายก่อนก็มีก่อนตายแล้วก็ได้ก็มีเงี้ยแล้วทำไมชีวิตที่เหลืออยู่ในระหว่างที่เดินไปทำไมเราไม่สนุกกับชีวิตตัวเอง ทำไมเราไม่ร่าเริงทำไมเราไม่เบิกบานทำไมเราไม่ไม่พอใจกับตัวเองยมเอาไปคิดนะธรรมะอย่างนี้แล้วจะมีความสุขออกยมกลับบ้านโอ้พอใจเช็ดบ้านเช็ดเกลี้ยงเสื้อผ้าซักอย่างดีรีดซะอย่างดีเลย ที่หลับที่นอนถ้ายมพอใจกับสิ่งนั้นมันก็มีค่าของขวัญที่ระลึกอะไรเนี่ยถ้าเราดูว่ามันเราพอใจมันก็มีค่าขึ้นมาทันทีมองกี่ปีกี่ปีก็ยังเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามองต่มาว่าศิลปะที่มีค่าก็เพราะความพอใจ เขาขายกันเป็นสิบล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีศิลปะบางอย่างคำว่าพอใจคำเดียวเห็นไหมโยมถ้าไม่พอใจศิลปะชิ้นนั้นเนี่ยบาทเดียวก็หมดไม่มีค่าเลยนั่นโยมพอใจไหมทรงผมทรงนี้จะมาก็พอใจแล้ว โยมไม่พอใจก็เรื่องของโยมจะมาพอใจจะมามีความสุขจะมาฉันวันละหนึ่งเวลาสองเวลาเนี่ยเราพอใจไหมพอใจก็มีความสุขมีเสื้อผ้าสามสี่ห้าชุดพอใจไหมพอใจใส่ก็มีความสุข ฉะนั้นกว่าเราจะทําให้จิตเขารอบเนี่ยยมจะต้องผ่านร้อนและเข้าใจว่าร้อนคืออะไรผ่านหนาวยมต้องเข้าใจว่าหนาวคืออะไรชีวิตผ่านสุขผ่านทุกขผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เรายังสดชื่นอยู่ได้ถึงบอกว่าเอออาตมามองศิลปะในโลกใบนี้ไม่มีศิลปะอันใดๆที่จะยิ่งใหญ่กว่าศิลปะการดำรงชีวิตมันช่างงดงามหวานชื่น เบิกบานมีความสบายมีความสุขมันแฝงไปด้วยทั้งความฝันมันแฝงไปด้วยอำนาจแฝงไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาจะมาจึงบอกไปดูศิลปะอย่างอื่นก็บ่งบอกเพียงแค่แววตาสายตา สีผิวทะเลต้นไม้อย่างเงี้ยแต่มาว่ามันก็คือแค่ถ่ายทอดลงไปในศินละปะตรงนั้นแต่ศิละปะชีวิตยามโหยเราะยมดูดิโหราเริงสนุกสนานเริงร่า ยามมีความสุขหน้าตาก็อิ่มเอเิบเบิกบานมีเรื่องร้ายๆอะไรเข้ามาก็ยังพ อ, อถึงบอกเราเข้าใจแค่ไหนเราพอใจแค่ไหนเรารู้จักสิ่งนั้นแค่ไหน ย, ย่อมจะไปเข้าใจว่าชีวิตจะต้องสุขแล้วก็สุขตลอดชีวิตไม่ใช่ถ้าอย่างนั้น จืดชืดเรื่องจริงนะคนที่สบายตั้งแต่เกิดมาจนแก่ตายนะั่นจะมาบอกเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบสมาเขียนหนังสืออย่างนั้นว่าไม่สมบูรณ์แบบแยกคําเลยหรือบางคนเกิดมาลําบากทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยจนตายก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกัน มันต้องมีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจได้มาจากไปสมหวังผิดหวังเอออย่างเนี้ยมันคือเรื่องจริงอยากได้แล้วไม่ได้สิ่งไม่อยากได้แล้วได้เอออย่างเนี้มันค่อยมีชิวๆหน่อยโยมต้องเข้าใจอะไรอีกหลายอย่างถ้าไม่เข้าใจ เราก็จะไม่รู้ว่าชีวิตมันก็เหมือนเกมและในชีวิตมันก็แฝงไปอยู่ด้วยคำว่าการต่อสู้บางคงับางครั้งมันกับต้องพ น, นันชีวิตไม่ธรรมดานะ กว่าใครจะเข้าใจธรรมะขั้นสูงเนะี่ยต้องไม่วันไหวแล้วยมฟังคํานี้นะกว่าใครจะพบธรรมะขั้นสูงจิตต้องไม่หวันไหวแล้วจะมาพูดเรื่องสุขเรื่องทุกข์ได้มาจากไปเสียใจสมหวังผิดหวังไม่หวันไหว ไม่หวั่นไหวเติมเขาว่าจิตไม่หวั่นไหวไม่ยาวใช่ไหมโยมนะแล้วยมจะเข้าใจเพราะเออถ้าเป็นชีวิตแบบเส้นตรงเลยนะต่มาบอกนั่นมันไม่ใช่หัวใจเต้นแล้วมันเป็นวัตถุไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ ตมาบอกอย่างนั้นไม่สมบูรณ์แบบและเวลาโยมทุกโยมต้องเข้าใจนี่แหละชีวิตจริงอยู่กับมันทำความรู้จักทำความเข้าใจจะเกลียดจะโกรธจะแค้นจะเครืองวัดกันตรงนั้นแหละ ว่าเราจะอยู่กับชีวิตอย่างนั้นหรือจะเดินออกมาเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นก็ดูว่าชีวิตของเรายังหลงอยู่กับได้มีเป็นไหมในสุขขนาดนั้นในอายุที่ร้อยปีเหมือนกันทุกข์ก็ร้อยปีไม่เกินสุขก็ร้อยปีไม่เกิดไม่ทุกข์ไม่สุขก็ร้อยปีไม่เกินกันมองให้เห็นพอเข้าใจเสร็จ ชีวิตย่อมมีเงาธรรมดาทุกอย่างมันก็ถูกซ่อนหรือซ้อนอยู่ยมเชื่อไหมละ่ะในความวุ่นวายมันก็มีอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันที่ทำให้วุ่นวาย แม้ในความสุขมันก็ยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้สุขเกิดขึ้นมายมต้องหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอแล้วทำให้จิตนั้นเห็นแจ้งแล้วสุดท้ายจิตโยมจะรู้เองว่าเขาจะเลือกอะไร ถูกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ภพ ม, มโลกนิพพานสุดท้ายจิตจะเลือกไม่ใช่ร่างกายเลือกไม่ใช่ไม่ใช่เอาความสบายเลือกเอาความทุกข์เลือกสุดท้ายคือปัญญาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความชอบใจ ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์น้อยใหญ่ไม่ใช่สุดท้ายปัญญาจะเป็นผู้ตัดสินแต่ก่อนที่ปัญญาจะตัดสินจิตนั้นต้องเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วว่าสภาวะน้อยใหญ่เขาได้เรียนรู้มาแล้วจิตทุกข์เป็นอย่างนี้ขณะจิตสุขเป็นอย่างนี้ เขารู้แล้วกุศลเกิดอกุศลเกิด น, นรกอย่างนี้สวรรค์อย่างนี้เขาเข้าใจมาแล้วเจงนั้นผู้ปฏิบัติผู้บําเพ็ญทำไมในสมัยครั้งพุทธกาลมีเขาบําเพ็ญกันไม่ใช่ธรรมดานะเขาเอาเป็นอนตายนะนั่งหนาวเน็บอยู่ต่งกลางแห่งความหนาวแช่งลงในน้ำอก เขาเข้าใจาว่านั่นคือการบูชาพระเจ้าหรือว่านั่นคือการชำระบาปหรือนั่นคือทางที่เขาจะพ้นทุกข์กับพระพุทธเจ้าเราเองก็เพียรทุกระกิริยาหาทางสำเร็จเหมือนกันอดอาหารบางตาย ก็ไม่บรรลุหนาวปางตายก็ไม่บรรลุบูชาไฟเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุของนอกกายบรรลุไม่ได้ต้องของภายในอดกายไม่บรรลุพระพุทธเจ้าอดใจจึงรู้จกักมาขันติบารมีเห็นไหมโยม อันตีบารมีคำนี้จึงเกิดขึ้นภายในบารมีที่บาเพ็ญมาค่อยๆจิตค่อยๆรู้ทำอันแจ้งแล้วก็เป็นปัญญาอันชอบสุดท้ายก็เลือก ทางอันแท้จริงถึงบอกเริ่มต้นพวกเราก็ต่อสู้กั น, นเรื่องนี่แหละความหิวปากท้องก่อนแต่พออิ่มเสร็จต้องถามว่าชีวิตแต่ละคนต้องการอะไรดิน้นรนเพื่ออะไรสะแสวงหาอะไรปรารถนาอะไรที่สุดคืออะไรตอบไม่เหมือนกันและตอบแทนกันก็ไม่ได้จริงหลายคนบอกฉันไม่เข้าใจเธอ เธอก็ไม่มีวันเข้าใจฉันเพราะอะไรเพราะเธอเป็นเธอฉันเป็นฉันเออจบดีเห็นไม่ยยมองบอกเออมังกลเกิดมาเพื่อแก้แค้นเคยถูกทำลายครั้งหนึ่งก็เก็บไว้แสงว่าเขาอยู่ชีวิตแบบไม่พอใจจิตวิญญาณถูกแฝงไว้ด้วยความไม่พอใจชีวิต แล้วก็ไม่ปรารถนาให้ใครมีความสุขในชีวิตที่มาทำลายเขาเขาจะต้องทำลายสิ่งนั้นเขาอยู่ด้วยความคับแค้นและไม่พอใจถ้าอย่างนี้ไม่มีวันที่จะชำระจิตให้ข่ารอกไม่มีทางไม่มีทางเลยที่บอกฉะนั้นจุดแรกนะจุดแรกๆโยมจะต้อง พอใจชีวิตก่อนแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆสิบปีผ่านไปโยมก็มีความสุขในสิบปีที่ผ่านไปอย่าไปหวังว่าเราจะมีความสุขปั้นปลายจตมาบอกคำพูดตรงนี้เป็นคำพูดที่ไม่ฉลาดแต่มันเป็นความหวัง ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีสิ่งนี้และเราจะต้องได้สิ่งนั้นมาเราจะมีความสุขบั้นปลายจริงๆคาพูดที่ไม่ฉลาดแต่มีความหวังแต่แท้จริงอยู่หนึ่งวันต้องมีความสุขหนึ่งวันเหลืออีกสามสิบวันโยมต้องใช้ชีวิตสามสิบวันให้มีความสุขจนถึงวันสุดท้ายและวันที่ตายจากโลกนี้ไป อย่าไปเสียใจให้กับโลกแบบ น, นี้อย่ากิจตรงนี้อย่าไปสูญเสียกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าเราเข้าใจผิดวัตถุเขาไม่เคยเสียใจให้กับมนุษย์คนใดคนหนึ่งโยมก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียใจให้กับวัตถุ ไม่ถ้าไม่เข้าใจวัตถุจะทิมแทงใจยมเองสุดท้ายความสบายทำลายความสุขทั้งชีวิตจะเข้าใจผิดสบายแบบไหนบางคนอยู่ชีวิตก็ไม่เข้าใจนะมีระเบียบมากมากจนตึง จะยิ้มก็ไม่ได้ต้องวางตัวไว้จะหัวเราะก็ไม่ได้ต้องสังนวทีท่าไว้ทุกอย่างเป็นระเบียบหมดเลยจะเดินต้องไปนี่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างฟิกไว้หมดเลย<อ>เขาคิดว่านี่แหละเป็นชีวิตที่เขาเลือกจริงๆไม่ใช่ ทุกคนเลือกชีวิตที่อยากเป็นตัวของตัวเองถ้าใครเลือกชีวิตไม่เป็นตัวของตัวเองโยมเช่ไหมเอาลิงมาใส่สูตรโอ้โหลิงทุกตายนลยนั่นไม่ใช่ชีวิตของลิงที่ต้องการเหมือนกันโยมก็ไม่ต้องการเราต้องการชีวิตที่เป็นตัวของเราเองดันโยมต้องพอใจ ตอนนี้ยมพอใจตัวเองไหมเห็นสิ่งที่มีอยู่มีความสำคัญไหมถ้ายอมมองทุกอย่างมันไม่มีความสำคัญทุกอย่างมันไร้ค่าสุดท้ายเป็นคนน่าสงสารกินข้าวจานตัวเองแต่ตามมองจานคนอื่นยอมลองนึก กินข้าวอยู่ในจานตัวเองแต่มองจานคนอื่นเข้าใจผิดหรือเปล่าใช้ชีวิตตัวเองแต่มองชีวิตคนอื่นว่าเราอยากเหมือนเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่โยมต้องเริ่มรู้จักมกับ พอใจชีวิตที่มีอยู่พอใจสิ่งที่เรามีอยู่อย่างตมาตันนั้นตมารู้สึกว่าถ้าได้เสื้อหนาวสักตัวมันก็คงจะถายหนาวได้มีไออุ่นขึ้นมาได้พอมสักผืนหนึ่งเราก็ไม่ต้องทนหนาวแล้ว สบายแต่พอคนที่มีทำไมจึงไม่เห็นค่ามันมนุษย์จึงมาสำนึกเมื่อชีวิตได้จากและผ่านสิ่งเหล่านั้นมาก็รู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ผ่านมามันมีค่า แต่เวลาอยู่เราไม่รู้ค่าและไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งที่จากมาเลยแต่เมื่อจากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญกับตัวเรามีความเกี่ยวเนื่องกับตัวเราทุกอย่างมันก็เป็นแค่อดีตธรรมะไม่อย่างให้ชีวิตอดีต ดีๆจากไปยมใช้ไปแต่ละวันเราถนอมอะไรบ้างชีวิตที่ควรถนอมยมเข้าใจแค่ไหนสิ่งที่อยู่กับเราบางคนมองแต่สิ่งที่ไกลตัวแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวไม่เคยเห็นเลยน่าเสียดายนะ ดนั้นโยมต้องพอใจตัวเองพอใจสิ่งที่เป็นอยู่และพอใจสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนกว่าพบที่สิ่งที่โยมปรารถนาสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทําลายชีวิตที่มีอยู่แต่ละวันให้มันหมดความสุขความสนุกความเบิก บ, บานความสงบ ความร่าเริองอย่าทำลายมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิตอย่างนี้เราได้มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วโยมจำได้ใช่ไหมพวกเรามีมาตั้งแต่เป็นเด็กและโยมให้มันสูญเสียไปโดยที่โยมไม่รู้ตัวอย่างนั้นเลยหรือ อย่าให้มันสูญเสียไปความเบิกบานความสนุกสนานความร่าเริงอย่ามันสูญเสียถ้ามันสูญเสียสิ่งนั้นไปยมก็เท่ากับสูญเสียจิตใจไปเหมือนกันและสิ่งที่ได้มาสุดท้ายมันก็ไม่ใช่จิตใจ ที่สุดโยมอาจจะได้วัตถุที่โยมต้องการแต่จิตวิญญาณโยมสูญเสียไปทุกวันทุกวันทุกวันไปสู่สูงสุดบนตึกสูงใหญ่และมองลงมามันคืออะไรโยมว่าเราจะอยู่คนเดียว คนรอบกายนะไม่มีใครที่รักเราสักคนนะ่และก็เชื่อใจไม่ได้สักคนนะ่มีแต่ผลประโยชน์ผลประโยชน์ห้อมร้อมเพราะตัวเราเป็นผลประโยชน์ทุกคนที่ห้อมร้อมอยู่หวังแต่ผลประโยชน์และเชื่อไหมแม้เราตายก็ไม่มีใครร้องให้จริงสักคนหนะ่โยนพอใจเราอย่างนั้นอันตามาไม่พอใจ คำพูดเขาพูดด้วยคำเท็จยกยอปอป้นเอออหอหมกไหลาตามน้ำยมพอใจครับชีวิตตรงนั้นตมาไม่ต้องการก้าวไปและไม่อยากได้แต่มาอยากมองตาคนที่มองตาเรา และสื่อถึงกันว่าเขาจริงใจเราจริงใจเขาให้เราเราให้เขาเขาดีกับเราเราดีกับเขาเขาไม่คิดร้ายกับเราเราไม่คิดร้ายกับเขาเราป้องกันเขาเขาป้องกันเราแต่มาต้องการชีวิตอย่างนี้ดูแลซึ่งการแลกกัน สิ่งนี้ต่างหากที่น่าพอใจสุดท้ายเรายือนอยู่กับรอบคนที่ไม่รู้จักหน้าแล้วนะครอบครัวเราไม่มีแล้วน่าเศร้านะสุดท้ายครอบครัวเราไม่มีแล้วความไว้วางใจเราก็ไม่มีให้กับใครอีกแล้วมันน่าสงสารถ้าจิต ของใครถึงจุดนี้แล้วโอ้โหอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยการไม่เชื่อใจกันแล้วเนี่ยแล้วบอกได้มาว่านั่งเก้าอี้หลุยโต๊ะหลวอาหารแบบระดับห้าดาวเงี้ยราคาหนึ่งจานคนธรรมดากินได้หนึ่งเดือนเงี้ย กินหนึ่งโต๊ะคนนี้กินได้หนึ่งปีเงี้ย่จะมาไม่พูดเล่นนะโต๊ะหนึ่งก็กินกันหลายหมื่นแต่ถ้ากินธรรมดาพวกเราเนะี่ยได้เป็นปีนะตรงนั้นเขาผิดไม่ไม่ผิดเขาทำได้ทำไปแต่เขาจะกินลงแค่ไหนก็ไม่ทราบ เพราะเขาไม่ได้กินด้วยความม่อยหิวนี่อาหารคงไม่อร่อยเท่าไหร่แต่หิวเมื่อไรนะอร่อยโยมเคยเจอความหิวไหมยอยากให้โยมศึกษาจักช่วยอดหน่อยได้ั้ยทักสามวันอาหารมื้อแรกที่โยมได้กินหลังจากอดมาสามวัน อร่อยที่สุดในโลกสลเปลาลูกดนึงก็โหมแป้งมันหวานไม่ต้องมีไส้เด็ดนะโอ้น้ำหวานสักแก้วกหนึ่งก็โหมมันชื่นคอเชื่อไหมละ่ะโอ้ได้ก๋วยเตี๋ยวทํามันนิ่มลิ้นอย่างนี้ยังไม่ดันเคี้ยวละลายไปในคอแล้วเนี่ยเชื่อจามาไหมละ่ะ แล้วโยมจะเห็นคุณค่าแต่พอโยมได้อิ่มกินไปทุกวันทุกวันหยอะแย่หยอดแยะไม่เอาละไม่อร่อยเห็นหมแต่ถ้าโยมเห็นคุณค่าอาหารวันไหนโยมลองอดดูทักสามวันไม่รู้น้ามืดเป็นลมก่อนหรือเปล่านะแล้วอาหารมื้อแรกวันนั้นแหละ โอสุดยอดเลยอาตมาทําให้โยมก็ยังว่าอร่อยเชื่อไหมล่ะเพราะอะไรความหิวทําให้เกิดรสชาตินะความหิวทําให้เกิดรสชาติเเวลาอิ่มแล้วก็บอกแมอาหารนี้อร่อยโยมแตะแต่ต้องต้องครัง้นๆนั้นที่บอกเออความหิวทําให้เกิดรสชาติ เข้าใจสูตรแล้วอยากกินให้อร่อยต้องอดแล้วกินดูมือแรกนะแม่ถึงบอกถ้าโยมเข้าใจชีวิตจริงแล้วนิ่งสักนิดมองไปให้ลึกๆโยมเจรวนดิ้ดงรนสุดขอบฟ้า เพื่อสแสวงหาอะไรสุดท้ายยมจะกลับมาหาชีวิตชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่เชื่อใจชีวิตที่อยู่แล้วสบายใจชีวิตที่ไม่ต้องหลอกเสแสร้ง ทุกคนในที่สุดจะกลับมาหาชีวิตแบบนี้อัรมาก็หาอยู่จึงบอกอรตมาพอใจผ่านมาสิบยี่สิบปีอรตา ม, มาพอใจชีวิตพอใจอยู่จริงรู้ว่ายังไงก็ไม่รวยนะแต่พอใจอยู่ห้ามความสุขได้ไหม ห้ามพระให้มีความสุขโยงก็ห้ามไม่ได้และท่านได้สร้างความดีไว้พระสวดมนต์ทำประโยชน์นให้กับสังคมเนี่ยก็อิ่มเอิบเบิกบาดึงบอกเออราคาชีวิตอยู่ที่ว่าเราให้สังคมอะไรบ้างให้มากเท่าไหร่สังคมมองเห็นเขาก็มองว่าเราเป็นคนพิเศษเพราอเขามองเราเป็นคนพิเศษเขาก็จะปฏิบัติตัวตนของเราเป็นคนพิเศษ แต่ถ้าโยมทำตัวเป็นคนพิเศษเองนะไม่มีใครสนโยมเขากลับมองเป็นคนหลงตัวเองไม่ได้โยมอย่าตีค่าตัวเองนะคนไหนตีค่าตัวเองว่าราคาแพงสูงสักนักผิดใครนั่งชมตัวเองจบแล้วพอหยุดเสร็จคนเขาก็จะด่าต่อเ่ย เรื่องจริงนะคนที่ชอบยอกยอกตัวเองนะพอพูดจบไอคนอยู่ข้างสกูลซุบซิบแล้วมันใส่ถูกไหมโยมแต่ก็ไม่ต้องทำตัวให้หน่าสงสารใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและสังคมเราพอจะให้อะไรสังคมได้บ้างนั่นแหละ ราคาของชีวิตยมสังเกตไหมคนที่ถูกยกย่องขึ้นในสังคมล้วนแต่จะต้องรับใช้สังคมดั้งนั้นหรือให้สังคมหรืออุทิศตนเพื่อสังคมราคาก็มีขึ้นมาทันทีนอกนี้ก็แค่ เป็นส่วนตัวบางคนรวยเป็นหมื่นล้านพันล้านถามว่ารวยแล้วมีอะไรสังคมได้รับอะไรจากท่านเปล่าท่านก็นให้แค่วงตระกูลตัวเองสังคมยังไม่เห็นประโยชน์ในความร่มรวยของคนคนนี้แต่เมื่อไหร่ใครร่ารวย และทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมวันนั้นสังคมก็จะยกย่องเพราะเขารู้จักการให้และเสียสละเขาจะเป็นคนพิเศษและเมื่อคนนี้เป็นคนพิเศษก็จะมีผู้ปฏิบัติเขาเหมือนคนพิเศษยงก็เริ่มต้นได้ก่อนอื่นก็ทำตัวเอง ให้พอใจตัวเองก่อนทำงานตรงไหนใช้ชีวิตแบบไหนโยมอยู่กับสิ่งที่มีให้มีความสุขก่อนเบื้องต้นแล้วก็โยนความทุกข์ลืมความทุกข์ละทิ้งให้หมดความทุกข์ทั้งหลายยาาความไม่พอใจเก็บไว้เป็นความผิดใครดำเนินชีวิตเอาความไม่พอใจเก็บไว้ในจิตใจ เป็นความผิดอย่างมหันนี่คือความผิดข้อนี้ต้องละให้ได้ต้องเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วเราจะมีความสุขสิบปีผ่านไปโยมก็ยังมีความสุขอีกสาสิปีผ่านไปยังมีความสุขสงบดีอีกโอ้โหนาา่าอิจฉาโยมไม่ต้องมาอยู่ป่าอยู่เขาหรอก ยมอยู่อย่างพอใจมีความสุขสงบแล้วก็ชำระ จ, จิตไปเรื่อยๆสุดท้ายการอบรมจิตไปเรื่อยๆนั่นแหละก่อเกิดแห่งจิตรู้แห่งปัญญาแล้วก็รู้ว่าจิตของเราดำเนินแบบไหนแล้วจเจริญแบบไหนแล้วยมจะเข้าใจ ฉันถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต่อให้โยมนั่งเป็นเป็นรูปปั้นเป็นหินปัญญาก็ยังไม่เกิดวันนี้โยมสดชื่นเลยยังพอใจกับชีวิตไหมต้องศึกษามันให้ได้ เรื่องร้ายๆก็มีมากอุปสรรคก็มีเยอะแต่โยมก็ต้องฝ่าฟันชีวิตก็ต้องสู้โยมเริ่มสู้ตั้งแต่วันที่แรกเกิดต้องตะโกนร้องแนละ้วเพื่อขยายปอดให้อวัยวะต้องร้องเพื่อให้อยู่รอดก่อนเจ็บปวดตรงไหนโยมต้องร้องแนละ้ว พูดไม่ได้เอาเสียงร้องเป็นใหญ่ทารกพอร้องเสร็จพ่อแม่ก็เริ่มสงสั ย, เ, ยเป็นอะไรปวดท้องหรือเปล่าเป็นไข้ไหมทำไมร้องไม่หยุดต้องพาไปหาหมอตรวจดูนั่นคือการต่อสู้ของเด็กนะเพื่อความอยู่รอดแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่ เราก็ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอดเหมือนกันเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญที่สุดของมนุษย์ฉะนั้นศีลสมาธิใครก็ทำได้ปฏิบัติได้แต่การอบรมปัญญาชำระ จ, จิตให้ขขาวรอบเนี่ย น้อยคนที่จะเข้าถึงจริงๆท่านโยมจะผ่านทุกผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาวทุกอย่างโยมต้องมีสติมีปัญญาสิ่งใดควรเป็นบทเรียน เป็นความรู้ต่อเพื่อไม่ให้กลับมาทุกสิ่งนั้นอีกโยมก็เรียนไม่ต้องใช้ตำราแต่ใช้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตนั่นแหละจึงเรียกว่าตำราชีวิตสู่ความพ้นทุกข์และโยมจะพอเข้าใจในโะยมจะเริ่มแรกเลยโยมจะหัวเราะให้ตัวเองก่อน แล้วก็ขำกว่าบางทีขำกว่าขำ ม, มากๆก็หัวเราะแล้วก็มันเหมือนจะเข้าใจของที่คว่มไว้แล้วก็หงายขึ้นมาเรื่องจริงหลายคนเขาเจอความคิดเนี่ยไม่ผิดแต่พอสิบปีผ่านไปรู้สึกว่าผิดเก้าปีผ่านไปยังไม่ผิดนะพอปีที่สิบ รู้สึกว่าผิดมันแปลกไหมถึงมาว่าบางอย่างต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือกรรมบางอย่างการกระทำเราบางอย่างต้องให้กรรมลงโทษจึงรู้สึกว่าผิดก็สุดแล้วแต่ ก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร